10. ธรรมเทศนาสมุดฐาน 267. พระทถาคตเจ้าจะไม่ทรงสแสดงพระสัทธรรมแก่คนกั้นร่มผู้ถือไม้พลองผู้ถือสัต ร, ราผู้ถืออาวุธผู้สวมเขียงเท้าผู้สวมรองเท้าผู้อยู่ในยานพาหนะผู้อยู่บนที่นอนผู้นั่งรัดเขา่าผู้โภกศีรษะ ผู้คลุมสีรระรวมเป็นส1อสิกขาบทพอดีเกิดทางวาจากับจิตมิใช่เกิดทางกายทุกสิกขาบทมีสมุดฐานอันหนึ่งเสมอกับธรรมเทศนาสิกขาบทธรรมเทศนาสมุดฐานจบ